ทำสติให้เจริญขึ้นที่บ้านไม่ใช่รอไปวัดแล้วค่อยพยายามหัวใจในการปฏิบัติธรรมที่บ้านคือการเข้าใจว่ามีอะไรในกายใจของคุณที่แสดงความไม่เที่ยงให้ดูได้บ่อยๆรอมือดูความไม่เที่ยงในตัวเองได้บ่อยๆสติแบบพุทธก็ค่อยๆเจริญและความทุกข์ความอึดอัดแบบที่คุณมี ก็จะค่อยๆเสื่อมสลายหายไปในสามวันเจ็ดวันความไม่เที่ยงที่ดูได้บ่อยๆของคนยุคเราได้แก่ความฟุ้งซ่านและโทสะคนยุคเราฟุ้งซ่านจนทรมานใจและหงุดหงิดโกรธเกรี้ยวบ่อยเหมือนถูกไฟคลอกเพื่อจะดูความฟุ้งซ่านและโทสะได้จริงต้องมีเครื่องทุนแรงเป็นทุนได้แก่การรู้จักสังเกตลมหายใจแห่งความสุข สังเกตว่าเมื่อเริ่มหายใจด้วยการค่อยๆขยายหน้าท้องสายลมหายใจจะยาวความรู้สึกจะสบายเมื่อคุ้นกับลมหายใจแห่งความสุขได้บ่อยๆ อ, อย่างน้อยสักชั่วโมงละครั้งสองครั้งพอถึงเวลาต้องใช้เช่นคิดฟุ้งซ่านทรมานใจก็หายใจอย่างเป็นสุขขึ้นมาทีหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบดูว่าที่ลมหายใจนี้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 หรือเมื่อโกรธจัดแทนที่จะฟาดสายฟ้าออกมาจากปากจากมือไม้ก่อบาก่กอเวนมีเรื่องมีราวกับชาวบ้านแบบเคยๆแค่หายใจอย่างเป็นสุขทีหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบดูว่าที่ลมหายใจนี้โกรธแรงแค่ไหนลมหายใจต่อไปเบาลงหรือแรงขึ้นอีกเพียงเท่านี้โทสะก็บรรดาลบากเวนเดิมๆขึ้นไม่ได้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 ก็จะเป็นการไปเพื่อต่อยอดให้เจริญถึงที่สุดไม่ใช่เพื่อไปนับหนึ่งใหม่กันเล่าเลาๆ ล, ล, ล่าทุกครั้ง